ท่านลง่สอนท่านมาเย็นอยู่ท<อ>่านเลบอกว่าให้ทุกคนกำลังใจตามนี้นะดลบงอะไได้ไนะหมวางพครั บ, ขอขอบลืมแเ<อ><อ>ด ว, นด ว, นดวน่นี่ก่อนให้ทุกคนเห็นว่านึกว่าร่างกายมันไม่ดีแล้วที่เราทุกสอย่างก็ใส่ร่างกายอย่างเดียวนะใช่ครับานนี้ทว้่เพื่สอสมมเมอ ถ้าเวลาจะตายให้เราเกตดูข้าใครยังเห็นว่าร่างกายดีจะปวดท้องอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยทั้งหมดทับบดท้งหมดเพราะว่าถ้าไม่ใช่พวกเก่าไปมาตัวนี้เป็นพวกเก่าเริ่มีบุญลงแล้วก็วจะไปนิพพานได้แล้วเฮ้ยอย่าเข้าไปไนี่นะพวกนี้ก่อน อย่าร้อไปอย่าร้องยครับฮะทำไมไม่ไปวันนี้นะครับส่งนี้ฉันอดสักทีเอโอโง่แกเดียวโตหน่อยเนียท่านบอกว่าทุกคนทำบุญลงแล้วแต่ต้องทำ น, นู่นไปนยน่าแอ๋เกือจะพูดอยู่แล้วถ้าไม่ทำนู่นไปอดทางาทไปดูสยแล้วก็เวลาจะตายคนจะปฏิภานถ้าบุคคลใดยังมีความประมาทอยู่ อย่างซึง่ร่างกายดีจะปวดท้องปวดมากเลวยปวดเจ็บอะไรไม่รูร่างกายไม่ดีมีตายทำไมจะปวดท่านทำให้ปวดออถ้าจะไล่ผูออ้ที่ไล่ไม่ได้ไมื่อกี้ยืนยันบอกเล่าฟั ง, งด้วยถ้าไม่บอกให้พูดจะจะไม่พูดไม่เขาบอกให้พูดตอนนั้นใครปวดท้องก็แสดงว่ายัางก่อน <laughs> อยังฉันไม่กี่ที่ปวดท้องนะ <laughs> อ๋ <laughs> อตัวใหญ่กว่าที่บ้านเลยนะ ไปดูทางนิพภายก่อนแ <c oughs> มให้มันมเป็าวโง่เฉยสาวเขาโง่ภาวนาด้วยครับอ๋อเจ๊กเจ๊กเลยเอาใจได้แล้วไตั้งใจดีที่ไม่รางกายมันไม่ดีทุกทุกอย่างความหิวก็ดีความหนาวก็ดีความร้อยก็ดี ทำป่อยไข้สบายเลยทุกอย่างที่มีขึ้นบ้างแต่ร่างกายอย่างเดียวเราไม่ต้องการต้อง้องการขาดนี้แค่เดียวทีแ่แทสุดท้ า, ายก็ไปเราขอเป็นผ่านที่นี้ก็คือนะทุกคน น, นอนตัวนี้ต้องไปนอนแยกกันแล้วร่างกายไม่ดีะเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนไม่ได้ <c oughs> แต่ก็อยากตัว ก, ก่อนไปเรียบร้อยด้วยก่อนไม่รีบไม่รีบมาไปทางใต้มาแล้ว คนที่มาทุกคนไม่นด้สิบทุกคนเลยนะเขาเป็นคนมี ม, ม, ม, ม, นะะ ม, มีบุนรุนแล้วเพระวาตาลธรรมดาสาวกกระพุ่มตาเป็นบปนมีเป็นหนึ่งของไขก็แสงกลับแต่พวกนี้ย่องมาสิบกลับกตัวก็ตามมาใช่ไหมหชันสิบหกกลับเห็นไล่ะ พ่อะครับใช่สิบะครับสิห อ, อกไม่ <c oughs> นนออกไม่แน่นะฮ่า่่่โอ้ยน <c oughs> <c oughs> นะเขาบอกบุญบารมีนั่นล้นแล้วเขากกำลังใจยังไม่พอ <c oughs> ฉันยังบอกว่าพอขึ้นมาข้างบนนะไปถามนะบอกทำไมแน่นหนเขแบบนั้นบอกฉันลําคานท่านดบนาคามีแล้วเขาพุทธองค์นะ พยายามเล น, นะทั้งสององค์นะแหละธรรมดาแบบนี้ธรรมดาที่ไหนแล่วเจ่าน า, นาคาดีมานานแล้วจะไปที่ผายกันไไม่ได้ห่วงไอ้พวกนี้มันลูกหลานาเรยตั้งใจจะกาดทเทหมดนึกถาว่าใครก็ตามถ้าจะตายาาถ้ายัางรักร่างกายอยู่จะให้บวดท้งองปวดท้องปวดนานเขาก็เบื่อร่างกายเห็นไมเพจิตเบื่อร่างกายจนหน้าไปเลยที่านได้ันที ถ้าใครไม่รักร่างกายขึ้นไปเสมอว่าร่างกายมันไม่ดีเราหิวเพราะร่างกายเราร้อนเพร า, า, ราะาราา่ า, ร า, ง า, รางกายเราหนาวเพราะร่างกายเราเหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะมีชาติหนึง่งแทนสุดท้ายอยี่ยวนี้มันก็ไม่ปวดท้องตายไปยดีกว่าขอไม่อยากนะ <c oughs> ง่ายแต่ว่าง่ายแต่ว่า ยกทรงพี่แตกโอ้พวกตื่น้าไม่ได้นอนทั้งเนเลยฮะตลอดตื่นไม่ได้นอนไม่นอนเลยผู้ใหญ่นการกล่าวานแก้เลยนอนนอนท่าไหนยี่ไม่ได้นอนเ้องแข็งขวาแล้วอ๋อปมกระไรก็้ไม่ยอมพาะแข็งไม่ได้นอนต่างมือนะเชื่อได้ก็เชื่อเชื่อไม่ได้ก็เชื่อไงโอ้พก้สับผิดเาะไม่ได้หลับอ๋อ ผมไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะใช้ามบโบราณเลยปลาไป่พันไอ้สมุนไนี่ก็เกิมานานแล้วการร่วมฉลองวันอ่ไม่เป็นไรนี่ญาติโย์นะลงบวงสรวงสองโมงตรงนั้กันไว้นี่ยินเสียงรถส่งมอเอเจ้าเจ้าเจ้าไจ้เลยลงมาใส่ข้าวใส่ขนมมามาตัวนี้สุขภาพพลานามัยการจำวัดจำวัดอะไรวัดจำได้ โอ้ยยืนนก็งสบายจะเรมตื่นเลยเนี่ยนะหรืออะไรที่ตอนหลับจะวัดไม่ได้หลับไม่พักภาษาักแล้วจำวัดอะไรจำจไม่ได้พอตื่นนึกออกไปปลุกแวเลยที่จะนอาวุธของเอออดญาติโยมมาตล้งเป่สี่สี่โอ้โหใช้ต่อชกนอนไว้เลยไม่เลยถี่มากดูว่าเลย ตัวเไม่ได้เกิดกันสถากาวิจัยดีใจที่ลุงท่านบอกเมื่อคืนนี้นะดีใจมากอันย้ำสามครั้งบอกให้รู้นะพระจ้าเจ้าแต่ว่าตามดาเทวดาก็ดิ่้ากระดี่ง่พูดแค่สาครั้งไม่เกินเดินทางไปยังเมืองยสามคร้งต้องบอกในงของเขตอั้ก็ห่วงที่อยู่ในการห่วงอะไรกับพ่อห่วงกองลังห่วงพวนี้จะป่พันก่อน อาผไหนว่าพี่สอนุณทุกวันนี้ก็ต้องการอริภาณต้องการให้ไปแต่ไปที่หลังอ้ออะไรไหมรับก็อะไรก็อ้อขาดถ้าขาดชาวบ้านถ้าตายถ้าไปตาบดชาวบ้านไส่บาตรแนน่ถ้าไม่มีพระนุ่งพระพระชาวบ้านให้ถ้าไม่มีที่อยู่ชาวบ้านชาวบ้านสรงให้ถ้าป่วยไข้จะมียาเราสารุษชาวบ้านให้ถ้าชาวบ้านตายหมดใด้ได้อะไร ออที่ให้ไปที่หลังเพราะเหตุนี้นะใช่เขาแสดง ว, าวา่าหลวงพ่อไม่เห็นไม่เห็นอะไรส่วตั ว, ต ว, วไม่วมตัวไม่มีเลยส่วนตัวไม่มีเห็นส่วนรวมถ <c oughs> ูกป่ะแต่เห็นที่พ่อส่วนตัวมึงตายแล้ตายไปเถอะไม่ไหวจะ<อ>ต้ก็เห็นส่วนรวมอยู่มากๆก่อนดีครับอย่างนน้อยที่สุดคนลหนึ่งสตางค์ร้อยคนโะบาทแล้วนะโอ้โอขอ้าวคนละหนึ่งช้อนร้อยคนละร้อยช้อนกินไม่ไหวแล้ว ้าเขาต้องรอบขอบแบบนีมาาโยมมาจาเบิงไหน้วมั่งโยมโยมมาจากไหนจ๊ะโนนัะอะรเขาอะรเขาอ่เขอะี่าอะไรทเาอากเขอไี่เขา่าอที่าไร่าอเอไ่อะไรขาอาอไร่ะี่าอราอาะอเทาารไ่ะะีารทาอระขอที่ทาะะาราเอะอะไรทอาาราออทาไทาี แล้วสองค้าโดยก็ี่คนเมื่อเดือนมีนาคม5แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช28หิวข้าวหรือยังตอนแรกจะเป็นอะไรนิดเก็บเอาไว้เป็นเวลา20ชั่วโมงใครยังไม่ทานข้าวนะยาโยนข้างนอกเขาเลี้ยงนะคืออนหิวไปก่อนก็ได้ีมูกตูดปุงตัวอาจจะเลี้ยงแลวจ่ายตามมาสยาส่ะก็มันเป็นอะไร ผู้นำกลุ่มต่อต้านแหน้โอ้โหโใหนี่จามวนหลได้ปฏิเศษนาทีสุดท้ายที่จะลงนามในข้อตกลงสันติภาพขบมาตุกีตุกีใช่ใชช่ขาตุกีขบมาีใช่ใช่ใช่ขบมาตุกรื่อาตุกีใ่ใช่ใช่ขบมาตุกีขบมาตุกีใช่ใช่ใช่ขมาตุกีขบมาีใช่ใช่ใช่ขบมาตุกีขบมาุกีใช่ใช่ใช่ขบกีขมาจุกีใชถใาจะป่ขยมาตุกีขบมาี ไอเห็นคนนุ่งใส่เสื้อแดงจนทั้งนุ่งข้อเท้าแดงได้เป็นมันโดนแสดงป่วยมกมาที่นี่เอาจริงป่วยจริงเลยนะป่วยจริงไอที่ั่งคุยที่ป่วยนะอ้าวเห็นยิ้มจังฟองใสอะไรไอที่ยินไม่ใช่เลยเห็นญาติเห็สตังไงเปล่าญาติโยมโอที่ิจารกุญายาวจนกระาษเลยถึงบ้าจะเห็นเลยโอ้โหุกึ้นบ้านเลยเห็นมะราชต่างประเทศของ ประวัตมีกำลังใจพระญาติโยมมาแต่เช้าก็ดีใจที่มีบารมีสูงมากไอ้ที่มาเนี่ยมาอาศัยกำลังใจทํามาเอเมน่ะบารมีทีแปลว่ากำลังใจเต็มใช่คไหมถ้ากำลังใจไม่เต็มยังไม่มีใครมาตื่นแต่เช้าอย่างคุณสมบุตรมาจะจันทรีผกมาตั้งตีสี่ตนที่จะตุลาคมนี้นอนตื่นทุกสัปดาห์ห่วงเวลาใช่ไหมหลายหลายคนก็เหมือนกัน ต้องคุกหลับน้อยบางคงหลับมากซ่คนบ้านราหลับน้อยหลับมากจนำไปเพื่อสมรณโดยสราชสมบูรณ์ับนั้นตีสามก็หลับก็างตีสามแล้วตีสี่ตีห้าีกตีห้าต้องมาแล้วมาตีห้าใช่ไหมตื่นตีห้าจะเห็นมีสามสองชั่วโมงสามห้า จดวจมือพร้อมจนะมือพร้อมรับตัวสติลเล็กน้อยอนดับ่ับและมได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลที่ีสนใจปีนี้ป่วยก็ไม่เหมือนมิสซิแลามซิลลวยมากนะปีนี้ป่วยยังมีท่าทางจะจับกุญแจบ้างแต่เช้าต้องโดดกอนจะางมาโดดัตรพอะไรไ รบไม่รู้รบู้ว่าปฏิทรรศิไทยานภาษาติดใจวันนี้เองเนาะได้คำาดียพูดได้มานานแล้วภาษาเจ๊กก็พูดได้หลายๆลายภาษาเหรอภาษาเจ๊กพูดยังไงเดี๋ยวปออกอตาเล็กเเจียเจี๊ยเจี๊ยโอจับแค่เลยคำนี้ใช่โอ้อีตาเกลูกก็ไปถนัดนะไม่ถนัดจะไม่แม่นจะแม่นสักดีรับ ก็เือมัก็ขงงเลยนะทาไมเละก็ตกใจข้อปกติได้ไปบางซ้ายเอ๊ะลองข้อจะตัดราว ง, งสมเท้าได้ยังไง <c oughs> อ๋อภาษาไก็เริมอะไรต่งางไปใช่แล้ว<อ>ไปบางซ้ายไอเราไปคนไทยก็พูดยาวๆหน่อยไ <c oughs> อบางซ้ายมันเป็นใกล้สุ <c oughs> พรรณก็ยาวนิดหนึอ่อไปบางซ้าย ถามว่าันทึกไม่ใช่เบาซนะต่างสายขึ้นเล็กน้อยัสายบริเวณความกดอากาสูงกำลังปานกลางจากประเทศมองโกเลียแแผ่ลงมาอ่าหรือเวลา20าทีเสร็าว่าจะย่าโยมีเรื่องอะไรจะคุยไหมลาและภาคตะวนออกก็คืนใครฝันไม่อะไรบ้างโอ้ว่าดีๆกระจายนี้พประเด็นเลยตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันรุ่งนี้ภาคเหนือตอนเช้ากยังไม่ฝันครับก็ถามใครฝันอะไรบ้างเตรียมอรสอแล เาอกไปจะพลาดไปฮะห่อนี่ยโอโหอนนอยแบบเออหลวงพ่อจะหาคู่ให้ดีขอแหวนนี่เกี่ยวกับู่เหรอใช่ใชใช่ๆๆโอ้นี่เข้าใจเข้าใจเนีอจริงผมก็ยากเป็นโสดอยู่แม่าจจวบาง่ายจริงโอ้ เออที่ว่าสังคมก็ดีอย่างนะผู้ชายก็ได้มโนผู้หญิงก็ได้มโนถึงไหมด่านคนนัดสารมันว่าแต่ผมูดถ้จะได้แฟงอให้ได้แฟมโนวัดธาตุมงก่อนสองคนสงคนนี้ข่าได้ก้ไกงานกันจริงๆนะนี้ยสงสัยว่าลูกมโนเขาลูกมโนเรียนเป็นยังไงลูกมโนเเป็นมบวมให้แลวโนก่อนถึงไหมโนรันนายก็มะบวมอ๋อ เออเข้าฝันว่าให้แฝนเพชรได้หนูนะทำไมจะให้ธรรมะหนูนะอีกเท่าถึงทำนะอีกฝันได้ต่ชั่วโมงทะมีขึ้นเล็กน้อยกรุงเทพมหานครมีเล็กแล้วตอนเชไม่ค่อยดฝันแล้วอยากให้หลวงพ่อไปเข้าฝันเจ้ามีอก็จะเด็กใหญ่หลวงพ่อไม่ยากไม่ยากโอะเมตตาแนะนําเลยหลับนอนหลับแล้วก็ฝันถ้าหลับไปฝันแล้วก็หลับตายเธอ้ฝันเอง เล็กกว่าเอ็นนะการจะเข้าฝันนี้มันยากอารมณ์เขารับได้จะไม่ได้อารมณ์เขารับได้ก็เขาก็เห็นได้เขาจะเห็นได้ทุกคนทั้งหมดเ่ยนะนั่งกี่ร้อยกี่พันกี่หมืนกิ่แสนเขาก็ตามสามารถจะรับได้รถรถปกติรถข้าวก็ไม่ตางก็หุ่นกันหมดก็ใล้แสงคุมหมด คือพระพุทธเจ้าจะใช้แสงคุมจากตะวันเราเป็นปิญญาพันนะโอ้แสงระมางคุมจากตวันทุกคนสามารถจะเห็นได้จกคุยก็ได้ส่วนในเรื่องก็ได้ในในขนาดเดียวกันนะครับเดียวกันใช่สถานสภาผู้แทนราษฎรย้ำเรื่องสถานีโทรัศว่ารัประศาน่าจะมีสถานีเป็นของตนเองได้แล้วเพราะจะเป็นประโยชน์ในการเแร่กาแฟใ ที่แกก็แฝงมากว่าด๊อกได้เหรอก็ใช่ปกติไม่ค่อยจะฉันใช่ไหมตามอย่างีต้องเต็มที่จริงจังกระจายนี่เต็มทีไปเมื่อวานหลวงพ่อลงมาตั้งแต่เช้ายันสิเอ็ดีมงเห็ก็พายมาเรื่อยตลอดเลยนะเดือดร้อนเดือร้อนใช่ใช่แต่กแปลว่ามีจุดมุ่งหมายทัวร์นี่เลียถ้าท้าเาื่อวานนี่ไม่ดีวันนี้เลยเอาแฝงไว้ก่อนยันไว้ก่อน ก็ทิต้งก็ทิ้งแดงได้มาได้ทุกสาวดูเขาบอกว่าดีไม่ใช่ฉันเลยใช่พูดจะทิ้งแดงก็ทิ้งแดงแล้วกแฟเรดีๆนะอ๋อชวีนเชวีนเหมือนกันก็พอดีการยานาพระพนณองสือทั้งยกสิบแจกใช่ไหม แจกก็กันตรงใค้ทำบุญตามอัิยะใสา่บาทจึงก็ได้สองหรก็ได้สิบบาทก็ได้ร้อบาทก็เอาลวเมตตาถูกเลยอัจฉริยะใ ส, าาสา่นะเพราะว่าถ้าจแาจกแจกเฉยก็แจกไม่ทันเออนี่งตัวอย่างสระยกิสิทนะก็คืนถ้าคุณมีานแล้วก็โดยสายโยกิสิทธิ์ี่มีความสาคัญ น, นักปฏิบัติถ้าไม่เคยดูผลโยติส จะไปนิพพานไม่ได้้าการปฏิบัติทุกอย่างถ้าทิงขันยอดสิบก็ไม่มีผลลงของพระนิฆาริยะถ้าเราจำขันยอดสิบอย่างได้จะไปค่อยๆไปปฏิบัติไปเดี๋ยวก็เป็นกัศฎาบันเดี๋ยวๆหมายความว่าลูกหลานทุกคนนี้มีที่จะเป็นปัศฎได้เขาจะไปนิพพานได้ไอ้นิพพานเนี่ยคนที่มันไปไม่ยาก ใช่ใช่กังใจูกนะเรว่าไม่ห่วงร่างกายที่อย่างเดียวไม่สนใจร่างกายอย่างเดียวอันนี้คือพระราหานี่เลยตอนตอนที่ไม่ห่วงนี่แหละครับใช่มาร่วมประชุมด้วยแวิธีปฏิบัติตอนไหนพระาฏิพาตอนหัวขั้นทำไมไม่ตกทาไมก็ิดเปนิกมาิพันไม่ก็ไม่ห่วงถือว่าทำงานต่าที่เป็นมาทุกวาจะตาย เวลาที่เราจะตายเราต้องฝึกไว้ก่อนนะอยากคือเคยเห็นทุกร่างกายร่างกายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมการหิวก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์การหาอาหารมาก yes? <ged Vale inom you> ็เป็นทุกข์ทำการงานทุกอย่างก็เป็นทุกข์เพราะสายร่างกายตัวเดียวถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีทุกอย่างนี้ไม่ร่างกายเร็วๆอย่างนี้เราจะมีชาติที่ชาติต่อไปต่อไปไม่ได้อีกใช่ไหมเราจะไปนิผ่านตั้งใจไว้อย่างนี้เลยไปฝึกทุกข์ก่อนหลับ ก่อนจะหลับทุวันคิดไว้เพราะฉเวลาที่มันป่วยจริงๆไอ้ความรู้สึกที่มันจะรวมตัวมันจะไม่ห่วงร่างกายค่านไม่พอใจไหมก็ฉันี่เคยป่วยมาแล้วเคยตายมาแล้วเวลามันเริ่มป่วยจริงปั๊บมันเพี้งหมดเลยทุกอย่างใจมันเฉยที่เรว่าแสงขาวจุดขยานนะยังไม่ถึงก็นอนเซลก็เดินไปเดินมาได้แต่มันไม่คิดถึงเรื่องอะไรหมดให้พูดเอารับสินลองอย่าพูดไม่ต้คิดกันเลย ตัวกายงานตายบอกว่าต้องปูดฉันป่วย<อ>จะร่างกายฉันยังจะตายฉันจะห่วงอะไรกายงานหัวทรัพย์สิใจมันเถออื่จริงๆถ้าตายเวลานั้นก็ไปดิพัน์แล้วก็ตา ย, ยจริงกันิพัน์ริแค่นั้นก็ไปได้เลย ไ, ได้แค่นั้นแค่หลุนิพพานถงุดแค่นั้นเมื่อไปิพันธ์ได้จะรว่าไปได้เป็นนานท่าไรครับ ไมีบุญมากเกินไปก็เสร็จทก็สมบูณแบบทุกอย่างพุการอตสาม์สะสมก็ต้องคิดหมมันยังนี้ตอนคืนแรกใช่ไหมเข้าโรงพยาบาลไหมมันทั้งอ่ดทั้งเสียดเวลาใกล้สองทุ่มนะดับมันเป็นดักขึ้นมากไอ้เราก็หายามาช่วยอืดตัอเสียดเข้าคืนที่สองคืนแรกนั้นมัเป็นเพรารคืนี่สามเราก็ตั้งท่าก่อนเลย วันนี้ต้องสู้แล้วมันจะเสียก็แปลใช่สมาธิสู้ใช่ไหมครับถ้เริ่มใช้สมาธิสู้ไอ้เออเสียไนไม่มาถ้าถึงเวลาครับกลายไปสามมิตรพรมไปท้องเยียนแต่งตัวสวยนะถ้าบอกว่าคุณพระเจ้าีิมนตเขราไปเฝ้าถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นิพานเวลาดันฉันยังสูงอย่างไร อ้าวนี่นี่สศูนย์เมื่อก่อนเลยศูนย์มาหลายปีศูนย์มายี่สิบปีโอ้เพื่อคุณธ่รมะเจ้าอศูนย์ว่าฐานท่านบอ่านศูนย์ไปได้ยังไงถ้าบอกจะผมพูดเลยให้ผมพูดคนเดียวเลยแน่ไปไ้งหรือก็ไม่เด้งหรือก็จะพูดคนเดียวนะไม่เด่งไม่ได้จะเป็นพ่อถ้าสมมติผมเป็นพ่อของ แลนั้นไม่ใช้มาไง น, นะบาบกปกระไรงั้นท่านเดินหน้าที่ตามหลังท่านพาออกจากที่แล้วไปไหนรู้ไหมบาปไปไหนครับลงโ ล, ลกรันนรกตายแล้ว<า>จากโลกรันึ้นมาเวจีเรื่อยมาทุกขุมวิชีดหมดว่ากายเกิดถ้าพลาดมันทุกแบบนี้นะแโ้วาปสวรส์ทุกขันแต่ทุกขันปฏิบั้นของฉันหก็กำลังดีถ้าตามท่านนะบาปลังมันดีมากท่านไปยังไงก็ไปทันหมด ถ้าถึงเพมท่นสิทิพยหดท่านไม่ยอมไปบอกเดินต่อไปที่เป็นหน้าที่ของคุณองเดียวไม่ใช่ฉันฉันมีหน้าที่มารับส่งคุณแส่นี้ที่ตัดออกจากสมาคมสิทิพย์หดคุณมันเดินโผล่เข้าใกลคนที่เป็นไข้หนักกาลังไม่มีตามค์ทำไปหมดเท่าไไม่มีก็ก็จําจะต้องไปถือว่าคาสั่งเป็นคํ า, า, า, า, าจจคคสั่ง ไปก็ไปถึงวัดวัดหนึ่งคันนี้วิจิตรศักดิหลังสวยมากมีกำแพงล้อมรอบมีซุ้มประตูใช่ไหมทุกอย่างเป็นทองกับแก้วผสมกันหมดแจะแต่พื้นที่ดินเกินก็ไปเดินรอบรอบว่าอันวัดอะไรหว่าหาพระองค์ไงค์ใดพราใดสักค์หนึ่งก็มันก็เพียมหน้าไปถึงหอระฆังก็เลยนอนที่พื้นหอระฆังหันหน้าไปจากที่ตดออก เป็นพระพุทธเจ้าเดินมา <c oughs> มีฉัพนรังสีก็เคยเห็นบ่อยใช่ไหมาจาได้ท่านเดินมาถ้าไม่เดเข้าทางประตูท่าเข้าจากากาแพงแล้กวจะก้าวขแพงหรือเต่าไป่งกแพงลงสูงนะ่ะพอามาถึงปั๊กแผงขาดขาดจะทําไปีเลยเป็นช่องอาจารย์มาเพราะท่านเลยไม่ได้กำแพงรถอีตามเดิม ยังนึกอ่าไอ้สํมแพงวัดนี้มันแปลกเขไม่เคยคุยยังไงวไม่เหมือนพวเรานะพวาเราก็แพงไม้หรือแพงปูนกระดามมันไม่ยอมขาดใช่ไหมไม่อยอมแน่ครับพอเข้ามาถึ ง, งก็จะมาที่นั่งฉันนอนอยู่ฉันลงล่างกันดั ง, งบนอันถามว่าเคิดหึืไม่ว่าวาตินี้จะมาที่ผ่านก็นเลยบอกไม่เคยคิดว่าที่ผ่านมันศูนย์ ท่านถามว่านิพานตนต้องบอกต้องตื้อบอกว่าศูนย์ท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรผมไม่รู้ตอบไปง่ายๆเขาตอบไม่ยากไม่รู้จริงๆจ่ย้อนลอยยังไงนะท่านถามว่าตั้งแต่พุทมเทวดาถึงตอนท่านกยจรู้จักไหมบอกมาเป็นปกติแต่ที่ตรงนี้ไม่เคยมาไม่รู้เป็นอะไรแบอกที่นี่เขาเรียกทีฐานที่ฐานก็บอกที่พานว่าศูนย์ใช่ไหม ไม่บอกาคนที่อ่านหนังสือไม่ออกคนที่ไม่เคยเห็นนิพพานเขาคิดว่อนิพพานส่วนแต่วามจรนิพพา น, น, น, น, านมีสุขนิพ่านเป็นที่ที่เสษที่มีการเคลขึ้นไหลต่อไปอีกหมายความถ้าถึงนิพพานแล้วไม่ต้องไปไหนอีกมีแต่ความสุขอย่างเดียวใช่นหมถ้าเราคุยพักจะบอกว่าที่เธอมาแล้วก็มาไม่มีแรงเน่ยก็ อ, อะไรมเพราะเธอเล่นรักสมระมาก ี่พัฒนายานน้อยนีพาที่ต้องสงฐานวิัฒนาเท่า pues กันคือที่มาที่ผ่านได้นะโตบอกเอานี้ก็แล้วกันท่านนี้ีไม่คือมาสิททอดแค่นี้นะไม่ดำเล็กๆเบางๆถ้าจะเรียบพระมาเก้าองค์เก้าองค์ถ้าค้นมาแล้วทาเห็นหน้าจะยิ้มๆเลยยันได้ไอ้โมเป็นมานเชือมมาเนี่ ถ้ามาถึงก็จิบไม้คนคนทอดน่งทอดต้นกลางคนตักชิ้วไปพอถึงทอดติดสิบไม่มีพระหรือจด้ข่งคนเดียวเ่าบอกเธอไปยกก็เลยบอกเ่าบอยกไปไหวสบางใจไม่มีเขาบอกว่านี่มันเป็นคำสั่งไม่ใช่ขอร้องเขาูดว่าคำสั่งก้งเป็นคำสังหรือไหมถาไปตั้งฝ้ายแจยยังยังงัดให้เต็มที่หรือไหมไอเต็มที่จับพับสองมือหยิบพับมันเบาเหมือนก็ดาด วางบนบ่าแล e mm. ้ก็ออกเดินตามไม่มีแรงเลยคนนี้มีแรงเดินตามพระเดินไปเอเดินไปได้สัวสิบเก้าัวสิก้าไม่มีก่อนไม่วางกลับลงไปเร่งรักที่ปัจจายานญาณเรื่องนาณน้อยสุดไปเรืแรงไม่มีเนี่ยใช่ใช่ก็เท่อนั้นต้องมีต้องมีควอมขืนสมาธิปัญญาไถ้าแบบนี้ไม่ได้ จึงเลยบอกให้มั่นใจว่านิชาตินี้จะมาในพานได้แต่ว่าเธอจะมาเร็วไม่ได้เพราะเจ้านี่มีมากเทวัา <c oughs> ดาที่นั่งเลยเจ้านี้นทั้งนั้นลูกนี่หรือเจ้านี้เจ้าหนี้นน ฉ, ฉันเป็นนี่เขาก่อนแล้ฉันก็บางจะเป็นนี่เขาต่อไปอีกเพราะชาติคอยเก็เคยช่วยม า, าเป็นลูกบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นเพื่อนบ้างเป็นตั้งคู่ร่วมกองทัพกันบ้าง ทุกคนบำเป็นบางรมีร่วมกันมาข้าคนบ้างข่าปลาบ้างข่าควายบ้างข่าหมูบ้างข่าสัตว์บ้างแต่ว่าไม่ไปนรกเพราะอะไรเพราะอะไรครับก็บุญช่วยก่อนจะตายทุกคนนึกถึงพระเวลาเลื่อนงครามสร้างวัดสร้างวากันบ้างสร้างพระกันบ้างบูชาพระกันบ้างปุณนรกใช่ไหมเวลาที่จะไปรบก็พาะห้อยคอบูชาพระทุกวันกันนรก ความจริงตอนนั้นไม่ใช่การนรกกันหอกกันดาบแต่ว่าเป็นการนรกมันในตัวถ้าคนเราถ้าอยาตายสนึกถึงชาติที่อย่างเดียวบาปเทวะกามดีมันจะไปไม่ได้ต้องไปสวรรค์ก่อนที่ยังต้องการกันฉะนั้นไม่จานวนพันชาติที่ผ่านมาผุกคนที่มานี่ไม่เคยถุนนรกทั้งหมดแน่หระใช่ไ้บาปที่ทำไว้มันยังอยู่นะมันไม่ไปไหน มันจ้องอยู่ข้างหลังถ้าไปเปนเทวดาเมื่อไรจะหมดผลเมื่อไหร่ก็หล่นมาเมาื น, มนั้นลงนรกทันทีนายทุกคนจงอย่าไปสวรรค์นนะไปนิพพานในรีกว่าเมตตามไม่ทันนะ้นน เ, ะเราก็ไม่โกง <c oughs> แล้วก็เก่งจริงตามไม่ทัทนสิเด็กก็เร็วเรียนรัดต่อเรียนเดินตรงต่อไปเร็ววิ่งไป เป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยสุนนรกมาทันชาติแล้วนะใครอยากจะไปนรกไห ม, จ, มจะไปดิจะตอบพยายมให้ <c oughs> ใครอยากผมไหนบ้างบอกฉัตตตนตอบฉันตอบไว้เลยไงเด้งไม่ให้ไงไม่ได้ลงประถมคันผ่านแผลเพราะดรงไม่เบาเลยตอมจริงต้องหูไม่ดับ ถ้าหนักมันก็ลงถ้าเบามันขึ้นลอยขึ้นไปไอ้ที่ลอยขึ้นไปได้เพราะว่าจิตใจดื้อขึ้ น, นบุญบุญสนุขึ้นพระพระช่วยปะจะตายจิตดื้อขึ้นพระหน่อยเดียวยก็อนจะตายเมื่อขนาดป่วยใหม่จิตนี้พระจิตมันจะขอบพระ